เจ้าภาพรองวรนุษย์ใหญ่ยิ่งอัศวินอารัตเทียนงามรัชนีวิเศษสาธรชูเจริญวง์กรกรูอภิวัฒนาเสวีสุดาพรตงศิรินิชามาโสภาเอียงแซจูปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านฟันฟงได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง